ขอความสุขความเจริญจะมีแท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยายศีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องเปสลาติมัญ น, นาสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยการดูหมินภิกษุผู้มีศีลก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระวังคีสะ เช่นที่กล่าวไว้ในสูตรก่อนๆเจ้าความว่าคราวหนึ่งพระวังทีสะไปพักอยู่ที่อัคควา น, นเจดีเมืองอาลวีกับพระนิโรธกัปปะอุปชาญญะวันหนึ่งวันหนึ่งท่านมาเหนียวนึกตรึกนึกในทํานองดุมินภิกษุในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏริบัติ แต่ว่าเป็นความคิดของท่านเองท่านไม่มีประจักษ์พยานสักขีพยานในความความประพฤติบกพร่องของท่านเรานันนเมื่อกี้ไปท่านก็ฉุกใจคิดขึ้นมาว่าความคิดของท่านนั้นไม่เหมาะไม่กลืจท่นใช้คำสำนวนโบราณว่าเราได้ชั่วซะแล้วหนาะ เราไม่ได้ดีใช่แล้วหนอที่เราดูหมินภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รักเหล่านั้นโดยปฏิภาณของตนคือความรู้สึกนึกคิดของตนครั้งนั้นระวังกิสะก็เกิดวิปฏิสารขึ้นและได้เกิดแก่ตนด้วยตน หมายความว่าคนเราคิดผิดมันก็ต้องสำนึกว่าเป็นความคิดมันก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงความคิดไปได้ท่านก็ได้พาสิทธาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าคำว่าคาถาในภาษาบาลีหมายถึงธรรมะที่แสดงในรูปของฉันทลักษ ส่วนจะใช้ฉันอะไรก็ไปอกเครื่องหนึ่งและความเป็นยิ่งในขนาดนั้นระวังกีสะก็บวชไม่นานแต่ว่าประวัติทั้งก่อนหน้านั้นอย่างที่เคยเล่าไว้ในวันก่อนว่าท่านมีความฉลาดสามารถศึกษาจบในไตรเพศและเวททางกษสตริ์มีความรู้พิเศษอย่างหนึ่งคือสามารถเคาะศีรษะของคนที่ตายแล้ว ตะบอกคตติภพที่คนเหล่านั้นไปเกิดได้แล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ด้วยคนก็นำหมากเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รับสั่งให้เอาศีรษะคนมาห้าศีรษะสําหรับคนที่ตายไปเกิดในนรกเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรมแล้วก็เป็นพระอราหารันต เขปรากฏว่าศีรษะแรกเนี่ยศีรษะแรกท่านขอแลวท่านบอกได้ว่าคนเหล่านั้นไปเกิดที่ไหนแต่พอถึงขอ้อเจอศีรษะที่ห้าท่านก็ตอบไม่ได้คือไม่รู้ที่ไปที่มาที่เกิดหายไปไหนก็ไม่รู้ก็เกิดสนใจที่จะศึกษาจากสำนักของพระพุทธเจ้าในชั้นทรกตั้งก็ขอเรียนนะ ซึ่งพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าเป็นพุทธมนต์คือจะให้เรียนได้ก็เฉพาะคนที่บวชเป็นภิกษุเพราะการบวชใ น, นครั้งแรกของท่านที่จริงไม่ได้เจตนาจะบวชอยู่นานคือบวชเพื่อศึกษาพุทธมนต์แต่พระเจ้าก็ส่งเริ่มต้นจากการให้สังวัตยายเรื่องอาการสาสบสอง คือผมคนและฟานหนังเนื้อเองกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหัวใจตับผังปืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยหารใหม่หานเก่าเนี่ยก็ครบอาการ32เป็นการบริกรรมสาธยายแล้วก็คิดตามไปคือพระสมัยนั้นท่านก็ดีอย่างหนึ่งคือมุพูดภาษาบาลีมาในท่านเข้าใจพอรนบอกบริกรรมไปมันก็สะสมความคิดเหตุผล การมองโลกมองชีวิตที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นต้นอย่างประสุทิ่านมาแล้วก็พบว่าบางครั้งเปิดเกิดปัญหาท่านมีจิตกํหนัดในสตรีเพศที่มาเชี่ยวชมกุฏิของท่านแ้วท่านก็อยู่ที่กุฏิคนเดียวอุปชายะไม่ได้อยู่ด้วยท่านก็เกิดกำนัดพอใจในสตรีเพศแต่ว่าห้ามจิตตัวเองได้ แล้วก็ยกอาสังขารร่างกายขึ้นมาพินิจพิจารณาก็บรรเทากรรมราคะที่เกิดขึ้นในสติเพลลงไปได้หมายความว่าท่านก็ผ่านวิกฤตทางอารมณ์มาหลายครั้งแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นความคิดในลักษณะดูหมิ่นคนอื่นตามปกติแล้วการดูหมิ่นคนอื่นมันต้องมีกรรมคือการกระทาของคนให้เห็นว่ากวลแก่การดูหมิ่น แต่ว่าในกรณีนี้ปรากฏว่าโดยปฏิพานของตัวเองคือท่านคิดตัวเองท่านคิดตัวเองว่าพระเหล่านี้จะเป็นผู้ทุศีน์ทางที่เป็นผู้มีศีลเมื่อเกิดสานึกผิดท่านก็กล่าวกล่าวคาถาสแสดงแล้วก็ให้สติตักเตือนโดยใช้คำว่ารู้ก่อนท่านโคดม ท่านจงละมานาเสียต้องฟังจะสังเกตว่าเป็นเรื่องแปลกทําไมท่านเรียกตัวท่านเองว่าท่านโคโดมคือโคโดมในบางกรนีนี่เขาเรียกรุ ม, รมุมหมายความมาเรียกเรียกว่าสมณะสกิบุตรหมายความมาพระภิกษุในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพุทธกาลนี่ ก็ถือว่าเหมือนกรบบุตรของสักยะทรามนองคล้ายๆก็อยู่ในวันนกษัตย์พอได้รับการยกย่องไว้ในฐานะที่สูงแม้แต่สถานที่อาบน้ำในตโปฐานชีที่ใกล้เวฬพารบมันพุทธจงมีท่าอาบน้ำนี่ลดหลั่นกันลงมาจากษัต์ กรามแพทย์สูตรจันทานลงมาเรื่อยพระก็ไปอาบข้างบนจุดคือที่กษัตริย์เขาสง่งก็แสดงว่าสถานะจากสังคมที่สังคมเขารับเนี่ยรับไว้ในฐานะที่เป็นบุตรของศักยะลูกของศักยะเพียงแต่ว่าเป็นคำที่เราพบน้อยเราไม่พบบ่อยนะัก ยกเว้นในกรณีของพวกพระอนนท์พระนันท์พระราหุลอย่างเนี้เราก็พบได้บ่อยเพราท่านเป็นศักยบุตรจริงๆแต่นี้ศั ก, ศกยบุตรโดยโดยพระธรรมีไหนเขาเรียกลมรว ม, รวมสมัยนั้นว่าสัมณนาศักยบุตรแล้วก็ท่านบอกว่าจงละมานะเพราะว่ามานะอย่างเนี้ยมันความกระด้างความถือดีคือท่านถือว่าท่านเก่ง ท่านเก่งในเรื่องหมนุษในเรื่องสายเพศแล้วก็ในเรื่องของไววพริบปฏิภาณที่จะจับประเด็นของพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเนี่ยแล้วก็มากล่าวเป็นสันทลักษณ์ได้ก็เคยขอประทานพุทธานุญาตจากพระพุทธเจ้าว่าเวลาพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมนี่ท่านจะขอเปลี่ยนเป็น ฉันทลักในรูปแบบต่างๆรู้เจ้าก็ส่งประธานผู้ทา น, น, านุญาตก็เป็นไปได้ที่ว่ามันมีประกถ า, าหลายประกถ า, าในพวกเคยยะพวกคาถาในธรรมบทในชาดกอะไรต่อไรเนี่ยอาจจะเป็นคาถาที่พระวังคีสะท่านแปลงมาจากร้อยแก้วเป็นร้อยกรองเป็นชันทลักต่างๆ ท่านรู้ที่ไปที่มาของปัญหาว่าการที่ anda, ienne, <Huh? S 1> ท, ท่านนึกดูหมิ่นคนอื่นก็เพราะว่าอติมานะคือดูหมิ่นคนอื่นแต่อติมานะมานก็มาจากมานะในกรณีน <broke> ี้แสดงว่าตัวเองนี่เคร่งศีลเคร่งธรรมมากกว่าคนอื่นคือเกิดมานะขึ้นมาว่าตัวเองเคร่งศีลเคร่งธรรมมากกว่าคนอื่นคนอื่นไม่เคร่งศีลเคร่งธรรมเพราะงั้นก็ดูหมิ่นคนอื่น ผรมมินมันเป็นการดูมินรวมโหลไปเลยมายความาพระอื่นนอกจากท่านแล้วก็เป็นคู่เป็นผู้ถูกสิล้วยุคหมดเลยทีเนี้ยเป็นการมองในแนวที่ท่านบอกว่าได้ชั่วแล้วก็ไม่ได้ดีหรือได้ชั่วด้วยแล้วไม่ได้ดีด้วย มานะเป็นกิเลสประเภทที่ละเอียดในระดับของสังโยชน์คือเราพูดถึงกิเลสที่ละเอียดเนี่ยมานะก็อยู่ระดับรดับที่เก้าที่ที่เก้านะฮะที่แปดหมายความว่าคนที่ละมานะได้เนี่ยมีเฉพาะปรารานเท่านั้นคนตัวไปก็ละไม่ได้ แล้วมานะบางครั้งมันขยายตัวมันเองเ่นสมมุติว่าเราเป็นผู้เลิศ ก, กว่าเขาในบางจุดคือไม่ใช่ทุกจุดไม่มีมนุษย์ไหนที่เลิศกว่าคนอื่นได้ทุกจุดหรอกแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราก็สมเลิศในมหาบริษัทลักษณะสามสิบสองประการอันนี้คือเลิศกกว่าคนอื่นจริงๆ เพราะคนอื่นไม่มีใครที่ประกอบด้วยมหาปริยสัลลักษณะ32ประการแต่พอเอาว่าเป็นวรรณะกษัตริย์ในสุริยวงศ์ปรากฏว่ามันก็มีเยอะนะฮะกษัตริย์สุริยวงศ์นี่มีเยอะแล้วก็เลิศกว่าคนอื่นด้วยประคุณ3ประการก็คือปัญญาบริสุทธิ์การุณาก็ไม่ใช่ทั้งหมด ที่หาผู้เสมอไม่ได้ไม่มีผู้เสมอเป็นผู้เลิศในโลกประเสริฐในโลกเป็นผู้ใหญ่ในโลกเนี่ยมัก็พูดในกรณีที่เลิศกว่าไม่ใช่ทุกกรณีทีนี้จากความคิดเหล่าเนี้ยบางทีคนก็หลงไปคิดว่าตัวเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไปเสียทุกกรณีแต่เราเลิศ ก, กว่าเขาในบางจุด เราก็รู้ไม่ได้ล่ะมันไม่มีการวัดผลไม่มีการตรวจสอบสมมติว่านักศึกษาเรียนจบปริญญาเอกมาเดียวกันในคณะเดียวกันแต่ว่าเราได้เกรดเราได้เกรดมากกว่าสูงกว่าเขาเขาได้เกรดต่ำกว่ามันก็พูดในประเด็นว่าเกรดสูงกว่าต่ำกว่านะก็ได้แต่พูดถึงว่าเรารู้ลึกซึ้งมากกว่าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับ เราไปยุรู้ได้ยังไงว่าเรารู้ลึกซึ้งมากกว่าเขาหรือเขารู้น้อยกว่าเราเพราะไม่ได้มีการสอบทานทิพย์เคียงกันคือคำตอบบางอย่างมันเป็นการตอบที่พอดีมันดูตรงเข้ามาแต่นั้นเองแล้วเรื่องที่คนอื่นก็ตอบไม่ได้เนี่ย ในกรณีที่คนอื่นก็ตอบไม่ได้แสดงว่าเขาดูมาไม่ตรงแตงเงื่อนที่เขาดูตรงพอะดี๋ยเขาไม่ออกคือไม่ได้ตอบเออเราต้องยอมรับนักถือสถานะของการอะไรกันไม่คิดว่าเราเป็นผู้เลิ ก, กว่าเขาหรือเสมอเขาหรือเรวกว่าเขาแต่เลิ ก, กว่าเขาก็ดูหมิ่นคนอื่นแต่เสมอเขาก็ตีเสมอคนอื่น ถ้าเร็วกว่าเขาก็ดุหมินตัวเองกดขี่ดูหมินตัวเองซ้ําเติมตัวเองไม่ได้ไม่มีไม่เป็นไม่เข้าใจไม่รู้ใช้บ่อยๆมันก็มีปัญหาในภาคสนามมาในที่สุดที่เธอจะสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองเจออะไรเข้ามาก็ภาวนาแต่ว่าไม่ได้ไม่มีไม่เป็นไม่เข้าใจไม่รู้แล้วก็ไม่เข้าใจสักทีหนึ่ง ไม่รู้สักทีหนึ่งไม่เป็นสักทีหนึ่งไม่เข้าใจสักทีหนึ่งเรไม่ได้ต้องได้ไม่รู้ต้องรู้ไม่เป็นต้องเป็นไม่เข้าใจต้องเข้าใจก็ต้องมีความเชื่อมั่นวิริยะจึงแปลว่ากล้าหาญหมายความว่าไม่ประวัติพนพรึงต่อปัญหาประสักด์ต่างๆประคนเราจะให้รู้ไปทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไม่เป็นไปไม่ได้เรา บางอย่างที่รู้ก็รู้แล้วคนก็อาจจะลึกซึ้งไปรเราในเรื่องบางเรื่องก็จะได้หลากหลายมากกว่าแต่ทีนี้บางทีเนี่ยเราอาจจะเสมอเขาในบางจุดแต่เราก็อาจจะลืมตัวไปดูมินคนอื่นแล้วเข้าใจว่าเรานั้นเลิศ ก, กว่าเข า, ห ร, เร า, เขาหรือเราเสมอเขาหรือเราเร็วกว่าเขาหรือบางทีเนี่ยเราเร็วกว่าเขาแหละแต่ว่าไปยกตนข่มทานว่าเราเลิศ ก, กว่าเขา เราเส ม, มอเขาด้วเราเร็วกว่าเขาตกลงว่าเป็นมานะกวประกาศเป็นกิเลสที่ละเอียดบางครั้งมันเหมาะสมถูกต้องเพราะว่ามานะบางทีมันมีลักษณะของจิตสํานึกจนพยายามจะเป็นให้ได้เป็นให้ดีเป็นให้เป็นเรียนให้ได้เรียนให้ดีเรียนให้เป็นเรียนให้เข้าใจฝึกเปลือกเกิดความรู้ความสามารถ เกิดภาษาพูดบางทีเราใช้คาว่มามานะอดทนหรือว่ามานะพยายามหมายความว่าตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นให้เราเกิดความเชื่อมัน่นแล้วก็อดทนต่อปัญหาประสักดต่างๆสายความเพียรพยายามที่จะพะจนกปัญหาซึ่งบงังเกิดขึ้นก็ใช้ไม่นในทางบวกได้ อันนี้ลักษณะคล้ายๆกระยานพานะเป็นที่อาศัย้าเดินทางสู่จุดหมายปลายทางตราบใดที่เรายัางเดินทางไม่ถึงจุดหมายปลายทางตามนั้นเราก็ต้องอาศัยยานพานะอยู่ยงั้นแหละแต่พอถึงจุดหมายปลายทางเราก็ต้องเอ้อมยานพานะคือต้องลงจากยานพานะถ้าไม่งั้นเราก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทาง บางที่กิเลสเราก็อาศัยกิเลสเป็นเครื่องลา ก, กิเลสหรือแม้แต่กุศลธรรมก็เถอะเราอาศัยกุศลธรรมเพื่อละอกุศลธรรมก็อย่างที่เรารู้ว่าพระอราหันนั้นละได้ทั้งบุญและทั้งบาปอรหันจึงไม่มีทั้งบุญทั้งบาปเพราะบุญบาปเป็นเรื่องของสังสารวัฏเขาเรียกว่าวัฏฐกรรมีกุศล คือกุศลได้ทําให้บุคคลยังหมุนวนอยู่ในสังสารวัตเพราะนักาบใดที่ประหารยังมีบุญยังมีบาปอยู่นี่ก็แสดงว่าท่านก็ต้องมีเพราชาติดังนั้นพอบรรลุมรรคผลเป็นพรหานเขาเรียกว่าบุญญา ป, ปาปะปะหินโนคือมีบุญและบาปทิล่าได้หมดแล้วเพราะท่านนิพพานมันก็ไม่มีเหตุปัจจัยให้ท่านไป บังเกิดในสถานที่ใดชี่หนึ่งประการบังเกิดในภพในชาติต่างๆเนี่ยมันบังเกิดโดวยวิชาตัหาวปาทานกรรมทีนี้พวกวิาวชาตันหนาวปาทานซึ่งเป็นกิเลสมันกระดับหมดกรรมกระดับเหตุปัจจัยให้เกิดมันก็ไม่เกิด ตอนนี้จึงไม่มีพบไม่มีชาติเ็าเรียกว่าลาชาติพบได้ไม่ต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏอย่างสัตว์อื่นทั่วไปแล้วข้อต่อไปท่านบอกว่าท่านจงลาหนทางแห่งมานะในโลกนี้เสียคือหนทางแห่งมานะเนี่ยเราก็คุ้นเคยกับกิเลสชุดนี้เรียตัญหามานะทิชิ ตัเป็นเรื่องของอยากได้มานะเป็นเรื่องของอยากใหญ่ทิฏฐิเป็นเรื่องของคนใจแคบปัจจุบนี้จะเป็นปัจจัยของกันอะกันแต่ว่ามานะนั้นละได้ยากที่สุดก็ ต, ตัณหาระดับพระนาคามีทั้งหมดละได้แล้วทิฏฐิระดับปะโสาบันก็นละได้แล้วแต่มานะ คนล่าได้คือพระหันเท่านั้นต่นั้นจึงเป็นกิเลส ท, ที่ละเอียดไอ้สิ่งที่ทำให้เราเกิดมานะเช่นวรชชาตสกุลฐานะทางครอบครัวเท้อสายเาผ่าพันธุ์ของเราแล้วก็ฐานะทางทรัพย์สินฐานะทางวิชาความรู้ฐานะทางสังคมจานะที่ตนได้จาก สถาบันต่างๆตำแหน่งชั้นยศอะไรมากมายกลกองที่เป็นเหตุได้เกิดมาคือในแง่ของความจริงแล้วพวกเหล่านี้มันใช้เป็นประโยชน์ได้แต่ถ้าเราใช้ไม่เป็นเนี่ยมันก็เป็นเหตุได้เกิดทิฏฐิเกิดมานะเกิดทิฏฐิเกิดตัญหาขก้นมาได้อย่างสมรษักษ์ของพระเนี่ย มันมีบทกากับเตี่ยท่านตระหนักไม่ใช่ตระหนักถึงตัวสมณศักด์ตระหนักถึงภารกิจที่จะต้องรับผิดชอบตามสมณศักด์ที่ตนเป็นคือหมายความว่าเขาตั้งให้เป็นเพื่อให้ทำงานมีอำนาจมีหน้าที่มีตำแหน่งมีชั้นยศตัวเป็นที่ยอมรับนักถือของบุคคลอื่น แล้วก็มีคำกากับว่าขอพระกุมโปรดรับภูราพระพุทธศาสนาเป็นพาระสั่งสอนช่วยระงับอภิกรอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในพระอารามโดยควรเด่นก็หมายความว่ามันเป็นลักษณะของความทำนึกสำเนียกว่าตอนนี้เราเป็นราชาคณะแล้วฉั้นนั้นชั้นนี้มีตำแหน่งจะต้องรับผิดชอบ คือหนึ่งรับผิดชอบธุ ร, บระพระพุทธศาสนาในด้านการศึกษาเรียนรู้ในการประพฤติปฏิบัติแล้วก็ทำหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนเผยแพร่ชี้แนะอธิบายขยายความแก่ใครก็ตามแล้วก็ปฏิบัติภารกิจหลักสี่เรื่องก็ียกอติกรณ หรือมันมีความเป็นภารกิจที่พระจะต้องประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะจริงๆคือเรื่องที่ใหญ่เนี่ยคือกิจาิการหมายความภารกิจที่ควรแก่การกระทําตามสมควรแก่สถานะที่เราเป็นมีกี่อย่างนี้นับไม่ไหวหรอกแต่ว่าต้องถนัดรับผิดชอบในภารกิจเหล่านั้น บางที่มีความขัดแย้งกันในเรื่องอะไรเป็นธรรมเป็นวิ น, นัยเป็นคําสอนไม่เป็นคําสอนพระพุทธเจ้าเคยประพฤติมาหรือไม่เคยประพฤติมาอะไรเนี่ยมันก็ต้องหาข้อยุติที่ถูกต้องให้มีความเข้าใจตรงกันบางครั้งเราก็ไปล่วงละเมิดวินยัยสิกขาบทต่างๆเราก็ต้องแสดงต้องทำขึ้นบำบัดบางครั้งเตือนผูงหรือแม้แต่ตัวเราเอง อาจจะถูกโจท่วงจากบุคคลอื่นเรารู้ว่าเราทำผิดแต่เราไม่รับมันก็ต้องมีกระบวนการโจทุง่งแล้วเข้าสู่กระบวนการที่เราเรียกว่านิคากกรรมเพื่อจะสร้างความสำนึกที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ท่านผู้นั้นอันนี้ถือวเป็นภารกิจแต่คนก็เกิดสำนึกสำเนียก็ เ, เรียกว่าสัญญาคือสำนึกสำเนีม แต่ต้องสังเกตว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้แล้วก็ทําให้งานให้เหมาะสมแก่การเป็นเป็นลักษณะคล้ายๆกับการแสดงละครคือพยายามตีบทตรงนั้นให้แตกแล้วก็แสดงให้เต็มชี่แล้วก็จบก็คือจบพลลงจากเกออ้าอี้ที่เราทําหน้าที่ก็คือจบแต่ตอนอยู่บนนั้นบนเก้าอี้เนี่ยเรามีฐานะมีตําแหน่งที่จะต้องทํา แล้วก็กระทาให้สมบูรณ์ก็ท่านกล่าวว่าท่านจงเป็นผู้ล่าหนทางแห่งมานะในโลกนี้เสียหมายความอะไรก็ตามนะตำแหน่งต่างๆชั้นยศต่างๆฐานะท า, างเศรษฐกิจทางสังคมทางการเมืองฐานะท า, างวงศ์สกุลอะไรมากมายไกลกองก็แล้วแต่ใครจะเอาอะไรขึ้นมา ก็พยายามใชใ้มันเป็นประโยชน์อย่าใช้ในการเสริมสร้างอัตตาตัวตนให้มันเครื่องขึ้นมาแล้วกลายเป็นการดูหมิ่นคนอื่นบ้างตีเสมอคนอื่นบ้างหรือดูบินตัวเองบ้างแต่ละอย่างมันไม่เป็นประโยชน์อะไรคือเกิดอาการที่เราเรียกว่าชะงักงนันคือก้าวไปไม่ได้ บางครั้งแม้แต่จะรับประทานอาหารเนี่ยหรือถ้าเราดังเกียรติกันแล้วก็ไม่ยอมรับประทานอาหารร่วมกันมันก็ไปไม่ได้ก็แสดงว่าฝ่ายหนึ่งจะต้องถูกดูหมิน่นฝ่ายหนึ่งจะต้องคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นบุคคลชั้นสูงไม่ควรจะนั่งร่วมโต๊ะกับบุคคลชั้นต่ำนี่ก็เป็นอาหารการอย่างหนึ่งของมนุษย์นะฮะ กระรูกขังสัตว์ที่ชานด้วยแล้วก็บอกว่าอย่าให้มีส่วนเหลือได้ประมูสัตว์อันความลบหลู่ทำให้มัวหมองเป็นการสอนตัวเองนะเป็นการสอนตัวเองเป็นการกระตุนเตือนตัวเองให้สำนึกว่าจะต้องพยายามลดละมานะให้จนหมดเลย เพราะว่ามานะในลักษณะดูมินตอนนี้คือลบหลู่นะฮะลบหลู่คุณคนอื่นว่าเป็นคนที่ทุศีลแต่ว่าใช่ปฏิภาณหรือใช้ความคิดความเข้าใจขอนตัวเองแล้วก็เหมาโหลไปเลยมันทำให้จิตใจกุ่นหมัวเสร้หมอะแล้วก็จะรู้สึก ต, ฐฐตะกิตตะขวงใจรังเกียจใจ เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ที่ก่อให้เกิดความรังเกียจใจเป็นการประพฤติการกระทำที่ไม่มีผลไม่มีอนิสงฆ์มากแล้วก็บอกว่าย่อมเป็นผู้มีความเลือดร้อนตลอดกาลยาวนานคือมานะความถือตัวอย่างที่เราเคยพูดเรื่องมานะทัตปราบอันนี้ก็เหมือนกันนะ คือมาหน้าท่านกระด้างจนขนาดว่าพ่อแม่ตัวเองก็ยังไม่ยอมไว้เลยบุญญาตายายก็เลิกพูดกันเลยมันก็กระด้างเอาขนาดนั้นทีนี้คนอย่างนี้จะอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนเพราะความดูหมิ่นคนอื่นแล้วก็จะค่ากว่าคนอื่นไม่ได้ อย่างคนบางพวกในโลกนี้เราจะเห็นว่าอาศัยเงื่อนไขาทางาศาสนาบ้างอาศัยเงื่อนไขาทางสถานะของตนเองบ้างอาศัยเงื่อนไขาทางทรัพย์สินบ้างอาศัยเงื่อนไขาทางเผ่าพันธุ์บ้างอาศัยเงื่อนไขาทางทวงสกุลต่างๆของตนเป็นตนบ้างแล้วก็เรียกหาสามัคคีกับคนอื่นแต่ว่าตัวเองไม่พร้อมที่จะสมานสามัคคีกับบุคคลเหล่านั้นเพราะว่าคนเหล่านั้นต่ำกว่าตัวเอง ก็เปิดการที่จะเรียกร้องเพราะอะไรเพราะเราไม่ทำตัวเป็นต้นแบบที่ดีให้คนอื่นเขายอมรับนักสือสถานะของเราคนที่มากดนมานะจะเดือดร้อนแม้แต่จะกินจะอยู่จะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยนะมันเดือดร้อนหมดอะนั่งตรงนี้ไม่สมเกียรติไม่สมศักดิ์ศรีดื่มน้ำเขาเอาใส่ขวดมาให้ดื่ม ไม่สมศักดิ์รีนะเดินคนไม่ก้มให้ก็โกรธก็สแสดงว่าใจมันจะมีความยินดียินร้ายอยู่ตลอดแล้วก็งุดยินรำคาญต่อสภาพไป็ล้อมต่อบุคคลที่แวดล้อมต่อเหตุการณ์ต่างๆต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองบอกว่าสัตว์ทั้งหลายปุนมานะกําจัดแล้วย่อมตกนรก มาน่ากำจัดหมายความว่ามาน่าครอบงำมาน่าเป็นหลักใจเป็นเรือนใจคืออยู่ด้วยมาน่าไม่ว่าจะเป็นการยกตนข่มท่านไม่ว่าจะตีเสมอท่านไม่ว่าจะดูหมินตนหรือดูหมินบุนคคลอื่นให้ลองสังเกตว่ามาน่านั้นจิตใจมันจะแข็งกร้าวแล้วจะมีลักษณะพอเห็นหน้าคนที่เราไม่ชอบคนดูหมินเนี่ยใจมันก็ขุนแล้ว ใจจะเกิดความ ร, าร้อนใจจะไม่มีความสงบเพราะฉะนั้นเรื่องของมานาเป็นเรื่องอิเดที่ยากนะฮะเราจะเห็นว่าอย่างนี้อย่างสังคมเราเนี่ยคือถ้าเราดูให้ดีมันมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของสัตว์โลกเพียงแต่ว่าสัตว์โลกมันเป็นสัญชาตญาณแล้วมันก็เคลื่อนไหวไปตามกฎ กฎที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติเช่นพึ่งเนี่ยมันก็มีประเภทต่างๆก็แสดงว่ามีคนที่เหนือกว่ามีสัตว์ที่เหนือกว่าพึ่งที่เหนือกว่าพึ่งประเภทอื่นๆมาเรื่อยๆในหมู่สุนักในหมู่ช้างหมู่ม้มาหมู่อะไรต่ออะไรต่าง ๆ, ๆ, ๆที่จริงเขารู้กันว่าใครเนี่ยเผ่าพันธุ์สายพันธุ์นี่สูงกว่าใครแล้วก็สัตว์เหล่านั้นก็จะให้ความยอมรับนับถือกัน และไม่กล้าแสดงอาการที่กำเริบเสพสันที่อยากล้างที่จะต่อสู้หรือจะขัดข้านต่อสัตว์ที่มีศักดิ์ศรีเหนือกว่าตนมันก็แสดงเห็นอย่างหนึ่งว่ามันก็มีอยู่โดยธรรมชาติแต่มนุษย์เนี่ยมันบางทีเนี่ยที่เราดีกว่าสัตว์เดรัจฉานคือเราไม่ใช้สัญชาตญาณ ผ่านสัญชาตยานได้แล้วก็ไปยุติโดยเหตุผลสติปัญญาเปิดมนุษย์จึงแปลว่าสัตว์โลกที่มีใจสูงมนุษย์คือสัตว์โลกที่จําแนกแกกแก้ได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์มนุษย์คือสัตว์โลกที่มีเหตุผลซึ่งมันเป็นกฎเกณฑ์ที่ ไม่ถูกจำกัดด้วยเผ่าพัานธุ์เชื้อชาติศาสนาอะไรข้องไครต่างๆแล้วมก่อนได้ยินนักธุรกิจใหญ่ท่านหนึ่งพูดแล้วเรารู้สึกชื่นชมนะว่าพูดได้คมอะคือคราวแรกหนึ่งฟังเขาพูดว่าคนดีในโลกนี้เป็นของบริษัทของเขา เราก็ชื่นชมแล้วนะฮะว่าการมองอย่างนี้มันเป็นวิสัยทัศน์ที่ทำให้เปิดภาคสนามนี่กว้างขวางออกไปโดยไม่ได้คิดว่าใครเป็นใครแต่คิดว่าคนเหล่านั้นสามารถในเรื่องอะไรแล้วก็ใช้ประโยชน์จากคนเหล่านั้นได้หรือไม่ก็จะเป็นใครก็เป็นคนก็แล้กันแหละ ทำให้เรามีตัวเลือกเยอะในบ้านในเมืองเนี่ยมันก็เหมือนกับระบบระบบที่เราปกครองกันอยู่เวลาเนี้ยเราจะเห็นว่าถ้าจะว่าดีมันก็ไม่เชิงดีอ่ะแต่ไม่เชิงเลวไปทั้งหมดกนนั่นเองเพราะอะไรเพราะว่าทําให้เราขาดตัวเลือกเราขาดตัวเลือกเช่นว่าคนจะมาเป็นคณะรัฐมนตรี มันแน่นอนส่วนหนึ่งต้องเป็นสสตัวนายกนี่บังคับเลยว่าต้องเป็นสสเปิดรัฐมนตรีที่ไม่ได้เป็นสสก็เป็นได้แต่ย่าลืมนะฮะมันมาจากฝ่ายที่เป็นรัฐบาลอย่างรัฐบาลปัจจุบันมันก็มีคนอยู่สามร้อยกว่าคนแล้วมีตัวเลือกแค่สามร้อยกว่าคนนั่นเองเพื่มมาเป็นคณะรัฐมนตรี แต่มันควรจะมีระบบระบบที่เรียกว่าเตือสนามให้กว้างแล้วก็มีตัวเลือกที่ตัวเลือกมีวิธีการในการเลือกมันก็เรื่องไปเรื่องต้องคิดเป็นระบบธรรมมาธิปไตยี่ใช้ธรรมะเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นหลักในการตัดสินวินชัยคนไม่ใช่ว่าคุณอยู่พักไหน แต่ว่าคุณมีความรู้ความสามารถความคิดอ่านมีคุณธรรมเหมาะสมแก่การเป็นในฐานะตำแหน่งชั้นยศเหล่านั้นหรือไม่เอาก็จริงมันก็ไปไม่ได้เพราะว่าโครงสร้างของสังคมเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นการรวมตัวกันหมดนี่มันเป็นไปไม่ได้เพราะเราก็ไปยึดติดในโครงสร้างในรูปแบบกันอยู่ ดังนั้นไอ้มาหน้าคือกา ร, รมมดูหมินคนอื่นความคิดในตานองแบ่งแยกแล้วก็ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ที่นี้งานของเจ้าของธุรกิจที่ว่าเนี่ยมันเป็นงานที่ครอบคลามันจํากัดหมายความเราต้องการผู้จํานาญเฉพาะทางในได้ไม่ได้หมายความว่าเอ่อทุกคนจะต้องเหมาะสม ไปทุกกรณีแต่เราต้องการบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญเรื่องอะไรเราก็คัดสรรมาจากกลุ่มคนเหล่านั้นมันก็ผิดกับเรื่องที่เป็นรัฐบาลอีกแล้วพรงานของรัฐบาลมันมีอยู่หลายเรื่องแล้วก็สลับซับซ้อนมีความร ะ, ม, ะมิดระไหม่มีความลึกซึ้งกว่าต่อมาก็ก็พูดขึ้นมาอีกสองประโยค ทรัพยากรในโลกนี้เป็นของบริษัทเขาหรือว่าตลาดในโลกนี้เป็นของบริษัทเขาก็รวมสี่สามประโยคนะฮะก็ถือว่าข่มเป็นการมองโดยไม่มีความแบ่งแยกแต่แน่นอนมันก็แบ่งแยกในตัวเพราะเราต้องคัดสรรที่ดีกว่าดีกว่าดีกว่าดีกว่าดีกว่าแล้วก็ดีที่สุด ดีที่สุดมันเทียบกันก็ที่สุดของที่สุดอะซึ่งเอาก็จริงๆเราไม่รู้อนาคตว่าที่เราเลือกมาเนี่ยมันที่สุดของที่สุดจริงหรือเปล่าในสุดมันก็กลายเป็นเรื่องตรงเสี่ยงอยู่นั่นแหละก็ต่อไปเนี่ยท่านบอกว่าชนทั้งหลายผู้มาหน้ากําจัดแล้วเข้าถึงนรกแล้ว หมายความว่าคนที่ที่ถูกมานะครอบงําเนี่ยคลองชีวิตยอยู่ได้มาน่าความกระด้างนี่จิตใจมันแข็งกล้าวจิตใจมันแข็งกร้าวเพราะงั้นแก่จะยินดียินร้ายอยู่ตลอดแม้นอนป่วยอยู่บนเตียงเนี่ยคือสาบไดที่ก็ยังมีมาน่าอยู่นี่แกก็แข็งกร้าวพราอแข็งกร้าวใจก็ยินดียินร้ายจะยินดียินร้า ย, ย, ย, ายมันก็เป็นทางมาต้องกิเลป น, นะประเภทการมาตันหาเพราะว่าตันหา อายินร้ายก็เป็นวิภาวตัณหาใจมันขุนแล้วก็สมควรแก่เหตุที่ตกนรกเพราะว่าสัตว์ที่ตกนรกมันก็คือสัตว์ที่มากไปในโทสั์ประการต่อไปก็บอกว่าย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนานคือตกตกนรกได้บรรนานนะคือไม่รู้จะเทียบเคียงกับโลกมนุษย์ยังไง แต่ว่าเทียเ่ยวกีงแล้วมันนานแล้วเกินนับเป็นนิรพุทธะคือไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันไอ้นิรภูธานี่นับแล้วก็ไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันเพราะนันเป็นโลกที่น่ากลัวเป็นความทุกข์ตลอดกาลยามนานยาวนานเท่าไหร่เราก็อยู่พิสูจน์ไม่ได้หรอกเราตายไปแล้วตายไปกี่ชาติแล้วก็ไม่รู้ว่าเขายังไม่ได้ผุดมาจากนารกเลย เราก็ตาเกิดตาเกิดตาเกิดถ้าบาปบุญเราไม่แรงนะบาปไม่แรงบุญไม่แรงเนี่ยเราก็ไม่ถึงกับตก น, นรกหรอกแต่อายุมนุษย์มันก็สั่นนิดเดียวเพราะาเราจะเกิดอีกกี่ร้อยชาติไม่รู้เขาจึงพ้นมาจาก น, นรกได้แล้วท่านกล่าวต่อไปว่าภิกษุผู้ชำนะกกิเลสด้วยมักเป็นผู้ปฏิบัติชอบ การเราชนะกิเลสได้เนี่ยทั้งหมดไม่ว่าจะเรียกชื่ออะไรก็ช่างเถอแต่ต้องดำเนินตนไปตามหลักของอริยมรรคมีองแปดประการจะเริ่มที่ไหนก่อนก็ได้แต่ตามหลักจริงๆแล้วต้องมีสมาธิฐิก่อนเพราะปัญญาต้องเห็นคุณโทษบาบุญคุณโทษของสิ่งนั้นๆะก่อน เพาถ้ามาอย่างนั้นแล้วการเว้นบาปมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่เห็นบาปอบอเป็นโทษการมันเป็นความดีก็จะบังเกิดขึ้นไม่ได้ในเมื่อเราเห็นเราไม่เห็นว่าความดีนั้นเป็นคุณเพราะปัญญาที่เห็นชอบเนี่ยมันจงเกิดขึ้นมาก่อนแล้วการดําริชอบก็จะติดตามมาพอปัญญาด้วยกันเพราะจากนั้นอย่างนี้อาจจะเกิดศีลขึ้นมาก่อน แต่ย่ามันก็ต้องมีสติการรักษาศีลก็ต้องมีความเพียรแล้วก็มีการสำรวจระวังรำบดปัญญัติของศีลทีนี้คนที่เอาชนะกิเลสเนี่ยสามารถกิเลสลดลงไปได้มากเท่าไหร่เ น, นี่ยปริงานความสุขความสงบความเยือกเย็นก็จะเพิ่มขึ้นในจิตใจของท่านผู้นั้นมากเท่านั้น แล้วก็ท่านบอกว่าย่อมไม่เศร้าสูกในการไหนๆหนมายความว่าถ้าอยู่ระดับนี้คือเป็นผู้ที่ดำเนินตนไปตามหลักของอริยมรรคเนี่ยก็จะไม่เศร้าสูกตลอดการยาวนานแม้แต่ท่านอยู่ในอริยมรรคสักข้อสองข้อเนี่ยเอาขนาดสัมมาวาจาสมากมรมตะสมาชีวาก็ประกัน อย่างที่เราส ม, าสสสสกกสมทานสี น, นุสีเลนะสุกติยันติสีเลนะโพกัสัมปทาสีเลนะนิปพติยันติตัสมาสีหลังมิโสทะเยมบุคคลจะบังเกิดในสุกติได้ก็เพราะสีนิสมูลในพ ก, กนสมบัติได้ก็เพราะสีบรรุมกคคุปนิพานได้ก็เพราะสีและท่านก็กล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมเรียกภิกษุผู้เช่นนั้นว่าเป็นผู้เห็นธรรม คือเห็นธรรมเนี่ยหมายความว่าเป็นการเห็นด้วยญาณและด้วยปัญญาแล้วก็ละกิเลสได้นะมีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าคําว่าเห็นธรรมเนี่ยมันต้องละกิเลสได้เห็นโทษของความชั่วแล้วละความชั่วได้เห็นคุณค่าของความดีแล้วก็บําเพ็ญความดีได้เป็นอย่างน้อยนะครเพราะฉะนั้นท่าน จงเป็นผู้ไม่มีกิเลสเพียงตะปูเครื่องตรึงใจในโลกนี้กิเลส ท, ที่เป็นดุจตะปูเนี่ยมันมีอยู่สี่อย่างห้าอย่างคือมันตรึงคนไว้อย่างนั้นแหละไปไหนไม่รอดหรอกบางครังเราสังเกตว่ากิเลสประเภทสงสัยอ่ะสงสัยเช่นเราจะซื้อของนี่ซื้อดีไม่ดีดีไม่ดีดีไม่ดีดด่ขับรถจะเรี้ยวดีไม่ดีนะะ หรือจะไปไซ้ายดีขวาดีอะไรแต่ไหนี่ชักนักหมดข้ามถนนจะข้ามดีหรือไม่ข้ามดีอันนี้เป็นลักษณะของสงสัยทีนี้ชาวพุทธเราเนี่ยถ้าสงสัยในพระพุทธเจา้าสงสัยในประธรรมสงสัยในประสง์สงสัยในไตรสิขาแล้วก็โกรธง่ายนะฮะแล้วก็เก็บความโกรธออกไป พอความโกรธเรานั่งบมาธิปรับในความโกรธขึ้นบูบขึ้นมาเลยครูคุ้มครองจิตแต่รักษาจิตไว้ใดมพงก็ไปไม่ถึงไหนครับมันเป็นมุดอ่ะเป็นตะปูที่ตอกตรึงจิตของมนุษย์ออกไ้เขาเรียกว่าเจโตคีละคือตะปูที่ตอกตรึงจิตเอาไว้พุทธจาทรงแสดงไว้ในเจโตคีละสูตรสูตรที่ว่าโดยตะปูตรึงจิตห้าห้าประการกัน ประการต่อไปก็บอกว่าเป็นผู้มีความเพียรจงละนิวรณ์ทั้งหลายเสียหมายความว่าในนิวรณ์เนี่ยลอนสังเกตว่าวิจิจชิชาเนี่ยมันอยู่ข้อสุดท้ายทือข้อที่ห้าเราก็จะต้องบำเพ็ญเพียรใช้สติใช้สัมมิจัญาคายความเพียรลึกรู้ในอารมณ์ทั้งหลายแล้วก็ พยายามละนิวรณ์ต่างๆให้ได้นิวรณ์แม้แต่จะมีห้าประการก็เถอะแต่ัแนแง่ความจริงถ้าเราละได้เนี่ยฮะก็บรรลุมรรผลเป็นพระหันไปแล้วเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสประเภทกรรมฉันในพระนาคามีละได้แต่ว่าที่ละเอียดเนี่ยต้องละถึงพระอระหันต์ถึงละได้เพราะมันมีรู ป, ป ร, ราคาอรู ป, ป ร, ราคาอยู่ วนหลักการที่ท่านประวังกีศาสตร์ได้กล่าวไว้นั้นเราจะเห็นว่าเป็นหลักการของการเจริญในศีลสมาธิปัญญานั่นเองเพียงแต่ว่ า, าสอนให้มีการใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษของฝ่ายกิเลสเห้นคุณของฝ่ายที่เป็นธรรมะ แล้วก็กลับเคลื่อนเข้าสู่ศีสมาธิปัญญาแต่ถึงจุดหนึ่งก็บรรลุมักผลเป็นการชินทุกข์โดยชอบแก่บุคคลผู้ทำตามท้องฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเทาง่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงง้งามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี